ภิกษุอยู่ปริวาทมีจิตฟุ้งซ่านภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุกำลังอยู่ปริวาทมีจิตฟุ้งซ่านปริวาสของภิกษุผู้มีจิตฟุ้งซ่านนั้นใช้ไม่ได้ถ้าภิกษุนั้นมีจิตไม่ฟุ้งซ่านอีกให้ปริวาทเดิมนั้นแหละแก่ภิกษุนั้น